ตัวล้ยตัวเองปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้บนคู่ <Okay. S 1> มันก็มีไม่มากมีกายมีใจเกิด <Okay. S 1> ขึ้นที่นี่เท่านั้น <Okay. S 1> ถ้ามีสติก็ <Okay. S 1> รอบลู่ได้ <Okay. S 1> ไม่เอาตาเรื่องเป็นสภาวะที่เสห็จได้ <Okay. S 1> แต่ถ้ามีสติมันลูล่รอบได้เงิน <Okay. S 1> ทองตาก็ลู่ได้ว่านทางหูก็ลู่ได้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 ส, สอนแล้วรับใช่แล้วถ้าเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ก็ว่ารับใช่ตาคันตุ ก, กับตอนรับตอนมีสติเป็นเจ้าของให้ตอ้ตอนรับก็ได้ถ้าตอนรับมก็มาบ่อยตอนรับต้อมีสติถ้ารู้จึกเรียกได้มันก็ จุดแค่นั้นบอกขึ้ร์นบอกเคิร์นแค่นั้นไม่ก้าร่วงเห็นคนละอังกันอันสุกอันหนึ่งอันไม่สุกอันนา ง, นนหนงเห็นมันสุกแต่ไม่ไม่เป็นผู้สุกพ้นจากความสุกเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์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 เรียกว่าอาเลีบคุคคลอรเยะก็เป็นคนอาเลียบคุคคลก็เป็นครว่าเจ้าโยมได้เป็นพระสงฆ์พระเรียเจ้าได้เป็นเจ้า ว, วาก็เรียว่าพระอธิการได้เป็นเจ้ากคณะ ผู้ปกครองต่ำบนก็ได้เจ้าคณะตำบนหรือว่าวเาจ้าอธิการแต่ถ้าเป็นพระืรอพระธรรมดานถ้าเป็นผู้รับผิดชอบหรือเจ้าอธิการจาววาเจ้าว่าดหรเจ้าทธิการให้เปลี่ยนชื่อ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 แล้วก็ได้วัตถุนี้แหละเป็นเป็นเรียนรู้็นตาในหู จ, จห ม, มูกด้วยร่างกายใจในรูปเป็นรถเป็นจิตมีเสียงสัมผัส ด, ดูแล้วมันบอกเราความเท็จของจริงอย่างไรความหลงความไม่หลงต่างกันอย่างไงความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันต่างกันอย่างไ ร, มมงง ไ, รไม่ต้องถามใคร หลงเป็นไงไม่หลงเป็นไงตรง น, นี้ต้องต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษ า, ก, ษาก็มืดเรียกว่าปุถุไป ว, ว่าหนาปุตุชนก็ศึกษาเรื่องการละยานปุถุช น, น, น, ถ, ชนถ้าศึกษาอีกอาเลียชน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 สองพันกว่าปีมาแล้วเรื่องเน่พิสจ์ได้ส่ผัดดูไม่ไม่ไม่ไมลบเลือนไปไหนผู้ไดหเห็นธรรมผู้นั้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ไดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้เห็นพระธรรมคือคุณภาพชีวิตคุตทะคือคุณภาพชีวิตที่ประเสริฐ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 เสียงทุกเสียงเหมือนเชียงบ้าชดมนพราหันหาบางโลกได้ยินโสเพณีร้องเพราะโลกโลกโลกโสเภณีโสเภณีเกิดโลกลลร้องโงมร้องห้อยระกันลังปฏิบัติอยู่ในป่าได้ยินเสียงก็เลยใส่ใจเป็นทษเป็นโทษ ได้บรรลุธรรมลอยเสียงทุกเสียงเหมือนเชียงพ่าสวมนแต่ว่าเป็นทุกเพราะการเก็บเลยจะต้องเป็นทุกข์เพราเก็บเหมือนเขาหรือเหมือนทำได้ไหมหัดตนสอนตนตนต น, ตนแน่นอนที่สุดเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่่งอยู่ทุกคน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 น้ำหนึ่งสองคนถ้าน้ำกระเพื่อมมันก็ไม่เห็นชีวิตที่มันเรียบๆเ่ ย, เยมันเห็นเราจงมาดูเนี่ยทำให้ชีวิตเรียบมีสติหัดถ้าไม่หัดไม่เป็นหนะ้วไม่ใช่เรียนรู้นะ้ฝึกหัดหัดได้ทุกคนเป็นได้ทุกค น, น, กคนมีให้สิ่งที่เราหมิง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 สูตรลองโดนอนหรือเกินคำสอนพระเจ้าเเอาชีวิตเราแรกเขาเลยจะดีไหมสักชาติเนี่ยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพูะเจ้าถ้าวฉชนันผู้ใดเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องมีความรู้อย่างต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ใช่ที่นี่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 ท่องจอำเหมือนเราท่องหนังสือท่องเปลี่ยนนักท่องท่องทำไวจับท่งปฏดเตม็มอกทำใบนใหม่ไม่ไม่ติดอเอเมสุดต่างเอกลางสมยัง พ, กพกักบ้าพาราเซออิซิปตะนาำมาเยกับใครเย่เมื่อที่แรกว่าไม่ติดมันไม่ขินมันยังไม่ชำนาญ ว่าไปว่าไปว่าไปมันติดปากเคยท่องหลอกูตดนักทองนักแต่เป็นเนนแล้วก็ว่าไีไในมันหยัดต้งสัตว์ไปจากนี้เฉยๆก็เลย้่องเดี๋ยวนี้ยังติดอยู่ไม่เลื่มนี่ในมันเกิดจากอะไรบ้างผิดตรงไหนรู้อยู่จำ่อยไม่เลื่ม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 พัวไปเห็นกัดราวกลมหรอ อ, หรอ๋อว่กลมเ ป, เป็นเป็นวัวเป็นควายสักหน่อยได้ไหมแ้วว่ากลมยกแยะขึ้นโหนหเอาเข้าลง <laughs> เราลู่วี่ไหนเราจึงรักษาิ่งของสงฆ์ให้ปลอดภยัยอะไรที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าวางวีไหนไว้เราต้องจำเราเคยมาทำาดดต้องจำได้อามาทำ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 เห็นอะไรที่มันผิดไม่ไม่ทำเด็ดขาดชั่วไม่ทำหลีทำไปใจไม่คิดขอใช้ชีวิตแบบนี้ตาชั่วไม่ทำแต่ดีทำไปแต่ใจไม่ยึดติดเอหมดแค่นี้คือเราขอทำความดีมันก็สั้นชีวิตเนี่ยไม่มากให้คนอื่นทำไป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 ลองจะว่ า, า, ววาอาจาย์โนดผู้ช่วยจะว่าทนตุ้ยอาจานต้งกบผู้จัดการใหญ่ๆทั่วๆไปเรื่อนี้หลงตาก็อาศัยเพื่อนมิตรอยู่อาศัยได้จริงๆนี่กัญยาณมิตนี่โอ้ยประเรสริฐสดประเสริฐจริงๆนะเพิ่งพาอาศัยอุ่นอกกุนใจ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 หลังสีมันค่าแห้งหมดไม่หมดโอ้ยถ้าได้หน้ามาหลอดคอสักดอยจะดีนะพูดไม่ออกอือเหรอไออก็่ออน้าเนยหยอดขอที่หลอดก็ไม่ได้คิดว่าทะยอดมากไม่ไหวมีความรู้น่าจะมีหลอดไอ้น้องไอ้ดดเจ้าหน่อยอะไรที่มันดูดได้